นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่5บัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าก็ปรารถนาคล้ายๆพระยาลมเลยนะพระยาย ม, มราช์เขาก็ตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้เหมือนกันนะพระยายมมราชเนี่ยหลังจากที่คอยดูดักนะครับพระยายมเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คอยอสั่งว่าคนนี้ตกนรกแกตกไปแกตกไปแกตกไปไม่ใช่งานของท่านคือคอยช่วยเหลือว่ามีเครว่าคอยคัดว่ามีใครพอจะมีบุญไม่ต้องตกนรกบ้าง คยไปถามดูแกทําบุญอะไรมาบ้างแกทาดีอะไรบ้างไหมนึกนึกได้ไหมท่านเคยเห็นเทวทูตไหมเคยเห็นเทวทูตที่1นึ่งสมสห้าไหมเออถ้าเคยเห็นแล้วท่านคิดยังไงคิดเป็นบุญมั่งไหมเออถ้าคิดไม่ได้ฉันจะช่วยบอกให้ก็แล้วกันจะได้ไปสุขติจะได้ไม่ต้องไปตกนรกนี่แต่ว่าถามใครก็ไม่มีใครนึกบุญตัวเองออกเลยนึกได้แต่บาปเราก็เลยปรองสังเวทใจก็เลยเสียคือไม่สบายใจออกมากเลยนะก็เลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะ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 พระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค้าครั้งก่อนหม่อมชันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้บัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างของหม่อมชันสำเร็จแล้วภาสิทิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าค้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจกักษุจักเห็นรูปดังนี้หม่อมชันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสารณนะขอพระองค์จงทรงจาหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณนะจาเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็เลยนิมนต์พระองค์ไปฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยดุษเนียภาพครั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมเสนามคต ร, ราชทรงทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เสด็จลุกจากที่ประทับถวยบายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วก็เสด็จกลับไป หลังจากนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมเสนามคตราชก็รับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้วก็ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพัฒการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาวาสกแล้วทรงถือบาตจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสู่พระนครราชเกล็กพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่จํานวนพันรูป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 สมัยนั้นท้าวสักกะจอมตัวเทพก็เลยเนรมิตเพศเป็นมนุษย์ก็คือเป็นหนุ่มหนุ่มรูปงามเนี่ยนะเสด็จดำเนินนําหน้าภิกษุสงม์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางขับคาถาเหล่านี้ร้องเป็นเพลงนําหน้าและดีตพิณร้องเพลงนําหน้าไปเลยนะเพราะว่าคนจะได้แหวกให้ด้วยสักกะเทวานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของท้าวสักกะคนจ ะ, จะแวกจะเป็น ทางให้พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธะดาเนินไปได้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ฉันเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นทุกคนก็อยากจะเห็นเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยเห็นก็อยากจะเห็นพออยากจะเห็นเข้าวพระองค์ก็เลยจะอดฉันนะเนี่ยเดือดร้อนเทวดาไงกันก็มากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวิก็คือผิวเนี่ยเสมอด้วย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 สู่พระนคร s, ราชเครกพร้อมด้วยพระปูรานชจดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวิเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงข้ามแล้วทรงพลวิเศษแล้วเสดสู่พระนครราชเครกพร้อมด้วยพระปูรานาจดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้วิเศษแล้วนะถ้อยคําชื่นชมพิเศษก็คือหนึ่งผู้ฝึกอินทรีย์แล้วในที่สองเขบอกว่าผู้พ้นแล้วในยะที่สามผู้ข้ามแล้ว ผู้ฝึกฝึกด้วยอะไรก็ฝึกด้วยสมถาวิปัสนาผู้พ้นแล้วพ้นด้วยวิมุตทั้งหลายเนี่ยนะด้วยแต่ทางข้าววิมุตเป็นต้นแล้วก็ผู้ข้ามแล้วข้ามกลาข้ามโอคะด้วยอริยมรรคทั้งหลายเสร็จแล้วนั่นแหละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่ทากิจเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว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 แล้วก็พระองค์ยังทราบธรรมคือกรรมบดสิบและพระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมะอันเป็นองค์ของพระอเสขะกลียกว่าอาเศคาธรรมสิบเนี่ยนะก็มีอะไรสัมมาทิฏฐิอันเป็นอาเสขะเป็นต้นมีภิกษุสองพันหนึ่งเป็นบริวารเสด็จสู่พระนคร ร, ราชครึกประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมถวยเทพแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มนี้มีรูปงามยิ่งนักหน้าดูกลียกว่าดูน่ารักน่าชมยิ่งนัก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 แห่งธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เป็นผู้ฝึกฝึกนะฝึกอินทรีย์ฝึกด้วยอธิศีน์อธิ จ, จิตและอาธิปัญญาผ่องแผ้วผ่องแผ้วก็แปลว่าปราศจากความหมนมองเศร้ามองมัวมองด้วยอำนาจบาปอากุโสลธรรมทุกชนิดหาบุคคลเปรียบไม่ได้ใครเนาะจะดีขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วว่างกันไกลจากกิเลสก็คืออรหันตคุณผู้เสด็จไปดีแล้วในโลกก็คือเสด็จไปสู่อาสังคต ธ, ธรรมเสด็จไปสู่พระนิพพานเสด็จไปตามหนทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 ไม่ได้เสด็จไปตามอัตตากีรมะฐานุโยกกามสุขขาลิกานุโยคโดยที่แท้เสด็จไปตามมัชชิมาปฏิปทาพระองค์ไม่ได้เอียงไปในสัสตตทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิทั้งนั้นเพราะว่าพระองค์ไปเพื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งหลายแล้วก็ยังเที่ยวประกาศอริยสัจธรรมทั้งหลายเพื่อสงเคราะห์มวลมวลหมู่สัตว์โลกข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเหมือนกัน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่พระราชินิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาะมคราชแล้วครั้นถึงแล้วก็ประทับเหนือพุทธอาฏที่เขาจัดตั้งถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาะมคราชทรงอังคาภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาจนียะโภชนียะหารอันประนีดด้วยพระหัตของพระองค์จนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จทรงนำพระหัตออกจากบาทห้ามพัดแล้ว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 หม่อมชันถวายสวนเวลุวันนั่นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าค้าก็ถวายเสยนาสนะนี่นะในอัตถกถาพุทธวงศ์หน้าห้สิบหน้าห้าสิบำนวนอีกในหนึ่งะนะบอกว่าพระราชานั้นถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสร็จแล้วก็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 พร้อมด้วยร่มเงาและน้าประดับพื้นศิลาเย็นเป็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งมีต้นไม้อย่างดีมีดอกหอมกลุ่นชั่วนิรันดราว่าแถวนั้นมีต้นไม้มีดอกหอมหลายต้นแล้วก็หอมเป็นปกติว่างั้นประดับประดาด้วยปราศาสตร์ยอดหรือปราศาสตรล้นมีวิหารดุจวิมาน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 ก็คือมันสบายมากนะเราไม่ต้องขุดบ่อด้วยซ้ําไปเพราะน้ํามันพุขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแถวนั้นมันมีอะไม่ก็ข่างจากนั้นไปสักร้อยเมตรก็มีอะไรตะโปทาวันหรือตโปธารามก็น้ําพุก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะก็รับอุทยานเวลุวันนี้พระเจ้าพิมพิสารก็ถือน้ํามีสีดังแก้ลมณีอันอบด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมด้วยพระเต้าทองเสมือนฐานร้อนใหม่เนี่นะ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 พระศาสดาทรงรับเวรุวรณารามแล้วก็ทําอนุโมทนาในวิหารทานนะนะซึ่งตรงนี้ก็กล่าวเพียงแต่ว่าพระองค์ทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นแจ้งอานฐานสมาทานร่าเริงด้วยทํามีกระถาแล้วก็หลีกไปคําว่าอนุโมทนาทานเนี่ยนะก็อนุโมทนาวิหารทานว่านอกจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถของโลกปากของคนหนึ่งหุน บุรุษไรเล่าผู้สามารถจะกล่าวอานิสงค์ของการถวายที่อยู่อาศัยได้ น, นะนะเอาปากคนเนี่ยนะหนึ่งหน้าหดหนึ่งหน้าหดก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นคนใช่ไหมเอาคนปากหมื่นคนเนี่ยมาชื่นชมสรรเสริญยกย่องอะนะมาช่วยกันสันเซิญว่าการถวายที่อยู่เนี่ยมันมีกําไรอย่างไรอานิสงส์แปลว่ากําไรว่าถ้าทําบุญด้วยการให้ที่อยู่เป็นทานเนี่ยควรจะได้รับบุญรับอานิสงค์ได้กําไรที่เกิดจากการลงทุนเนี่ยถวายที่อยู่อาศัยแก่พระ ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบอกงั้นเถะนอกจากพระพุทธเจ้าใครเล่าจะสรรเสริญได้หมดเนี่ยนะนานยัตระพุทธาปณะโลกนาถายุตโตมุขานังณะหูเตนะจาปิบอกจะเอาใครเล่าเอาเอาคนเป็นหมื่นปากเลยแหละมาช่วยกันสรนเสริญยกย่องว่าอั น, นิี้สงการกล่าววิหารทานนั้นจะมีอั น, นิสงส์ขนาดไหนนรชนใดถวายที่อยู่แก่สง์นรชนนั้นท่านกล่าวว่าให้ที่อยู่เนี่ยชื่อว่าให้อายุ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 ถ่ายแบบได้ไหมยากปราณนั้นนะปฏิพาณเนี่ยนะถ้าถามว่าอยู่ที่เย็นจัดร้อนจัดจะไปมีปฏิพานเฉลียวฉลาดไววพริบคิดอะไรออกบ้างไหมแบบยากนอกจากโทสะที่มันระอุ ข, ขึ้นระอุ ข, ขึ้นเท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นผู้ถวายที่อยู่อาศัยจึงเชื่อว่าให้กำลังให้ผิวพรรณและให้ปฏิพานคือสติปัญญาทีเดียวเนี่ยนะ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 เพราะเหตุที่ผู้ถวายทานคือวิหารเนี่ยนะย่อมป้องกันทุกมีเย็นลมร้อนแดดเหลือบฝนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ ร, ร้ายเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นเชื่อว่าได้ความสุขในโลกหน้าเนี่ยนะาวว่าให้ความสุขแก่ผู้อื่นในโลกนี้ตัวเองเป็นผู้มีส่วนที่จะได้รับความสุขต่อไปในโลกหน้าผู้ใดมีจิตเลื่อมใสประสนนานจิตโตเนี่ยนะมีจิตใจเลื่อมใสด้วยศรัทธา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 ผาสุกเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้เสนาสนะให้วิหารเนี่ยเชื่อว่าให้ทุกอย่างผู้ใดละความเศร้าหมองคือความตระหนี่ความตระหนี่ทีเหนียวทั้งหลายเนี่ยนะพร้อมทั้งละโลภละความเศร้าหมองคือความตระหนี่ละความเศร้าหมองคือโลภถวายวิหารแก่ท่านผู้มีคุณเป็นที่อยู่อาศัยก็คือถวายแก่ผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีศีล ผู้ที่ถวายนั้นก็เป็นเหมือนถูกผู้อื่นโยนขึ้นไปในสวรรค์เรียกว่าใช้คําว่าอัญเชิญไปไว้ในสวรรค์นั่นแหละเหมือนกับว่าอัญเชิญไปประฏิสถานไว้ในสวรรค์ย่อมเกิดเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกถึงสมบัติที่รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรียกว่ารวบรวมโพวกกระซับเอาไว้ตัวเองก็ใช้ได้นิดเดียวนะไม่ใช่ว่า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 พอไปอยู่ในสถานะเป็นเปรตตัวเองก็ใช้ของที่เคยสแสวงหาก็ไม่ได้อดอยากหิวห้อยกับปานั้นลูกหลานก็ไม่คิดถึงกับปลานโน้นเนี่ยนะอุย้ยมีแต่ความเศร้าใจของกันมีแต่ความเดือดร้อนใจเศร้าโศกถึงสมบัติที่อุตส่าหร์รวบรวมด้วยหยาดเหงื่อแรงกายสติปัญญารม ท, ทุกอย่างเพื่อ ด, ดินน้ำไฟลมกองไว้ท่วมแต่ก็ใช้อะไรไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ยกย่องว่าผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานแล้วไม่ต้องมาเศร้าโศกแบบคนกลุ่มนี้หรอกเนี่ยนะ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 ให้ผ้าทีนี้คำว่าข้าวน้ำเนี่ยรวมทั้งยาไปแล้วด้วยก็คือถวายปัจจัยสี่แก่ผู้มีศีลทั้งหลายแล้วก็วิธีทาบุญก็ทำด้วยความ เคารพเนี่ยนะด้วยมือของตนเองทําด้วยจิตใจที่เลื่อมใสไม่ใช่ทําแบบทิ้งคว้างเนี่ยนะทำด้วยกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลกรรมเรียกว่าทําแบบคนรู้คุณรู้อ น, นิสงส์รู้กําไรรู้ดีรู้เชื่อว่าทำอย่างเงี้ยจะมีผลมีอา น, นิสงส์มีกําไรดีอย่างไรถ้าไม่ทํามีความเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ารู้ทั้งความเจริญรู้ทั้งความเสื่อมรู้เหตุดีเหตุจเจริญเหตุเสื่อมเป็นต้น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 สามารถเกิดในสวรรค์ชั้นสูงๆได้หลายชั้นแต่ก็ไม่ยินดีเพราะว่าจิตใจเนี่ยนะเคยเพลิดเพลินกับการเกิดเป็นยักษ์มานานก็มีจิตอววรที่จะกลับไปเกิดเป็นเสนาบดียักษ์เนี่ยนะนยักษ์ยี่สิบแดตนเนี่ยนะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงเทวดาเนี่ยนะผู้ควรแก่การบูชาเนี่ยก็ไปเป็นยักษ์เสนาบดีเสร็จแล้วก็มีใจฝักใฝ่ว่าวันนี้จะเป็นพัสดกะทาคามีวันเนี้ยก็มีจิตใจที่จะเป็น พระสกะธาคามีตอนนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าได้เป็นหรื อ, อยังก็ไม่ทราบนะมีใครมาเล่าให้ฟังเลยไปราชคึกท่านก็ไม่กลับมาเล่าให้ฟังเลยพระจอมมุนีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครั้นทำอนุโมทนาวิหารทานแด่พระเจ้าพิมพิสารจอมนรชนประการอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะอันภิสุสง์เวดล้อม เมื่อทรงทำนครให้เป็นวนะวิมานเป็นต้นด้วยพระสมีแห่งพระสรีระของพระองค์ที่น่าทอดทศนาอย่างยิ่งประหนึ่งเลื่อมพลายที่เกิดแต่รถด้วยน้ำทองเนี่ยนะก็คือเวลาที่พระองค์เสด็จดำเนินไปที่สวนเวลุวันเนี่ยก็แผ่พระสมีรังสีเหมือนกับว่าพ่นน้ำทองออกจากพระสรีระด้วยพระพุทธลีลาหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยพุทธสิริที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ด้วยพระสรีระร่างกาย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 พระวิหารที่พระวิหารอาริยะวิหารคอยตรวจดูหมู่เวนยศาสตร์ทั้งหลายผู้ควรแก่สังโวรวินยัยผู้ควรแก่ปหานวินยัยผู้ควรแก่การตรัสรูม้มรรคผลซึ่งเหตุการณ์ต่อไปพระ อ, องค์จะโปรดใครบ้างก็เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิพอ